อนุมานเหตุเกิดที่เป็นอดีตและอนาคตผู้ที่รู้เห็นเหตุ เ, หเกิดของรูปนามในปัจจุบันอย่างนี้ย่อมอนุมานรู้ได้ว่าแม้รูปนามในอดีตแม้รูปนามในอนาคตก็มีเหตุเกิดอย่างเดียวกันดังคำพีวิสุทธิมักกล่าวว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นรู้เห็นความเกิดขึ้นของรูปนามในปัจจุบันเพราะ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 คือเราจะเกิดในอนาคตได้เพราะเหตุอันใดหมายความว่าจะมีผู้เนรมิตรเราหรือเราเกิดเองตามธรรมชาติงเราจากเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรอีกในอนาค ต, ตการหรือ 3. ความสงสัยฝ่ายปัจจุบัน6กได้แก่กเรามีอยู่หรือหมายความว่าอัตตาหรือวิญญาณ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 มีรูปนามอันเป็นที่อาศัยกล่าวคืออายตนะหได้แก่ประษาทรูปที่เป็นรูปสายอันได้แก่จักขุประสาธรูปโสตะระสาธรูปคานะระสาธรูปชิวหาประสาธรูปและกายประสาธรูปมีได้โดยอาศัยมหาภูตรูปสี่มีปฐวีเป็นต้น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 และผลกรรมใหม่ก็มีได้อีกเพราะกรรมทำใหม่ดังนี้เป็นต้นโดยองค์ธรรมจำแนกเป็นกรรมวัตรคืออวิชชาสังขารปัญหาอุปทานและกรรมภพวิปากวัตรคือวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนาผู้ปรารคความเพียรบางท่านสามารถรู้เห็นกรรมวัตรห้า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 รูปนามจักเป็นไปในอนาคตการตามเหตุปัจจัยโดยเนื่องด้วยกรรมวัฏและวิปากวัิจาก น, นั้นสองขอย่อมรู้เห็นว่ามีเพียงกรรมและผลกรรมวนเวียนกรรมและวนเวียนวิบากกระแสกรรมและกระแสวิบากการสืบต่อแห่งกรรมและการสืบต่อแห่งวิบากการกระทาและผลของการกระทา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 การใช้คำในลักษณะนี้เป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่าประทานในคือในที่กล่าวถึงสิ่งที่เป็นประทานแต่ยังมุ่งหมายถึงสิ่งที่ไม่เป็นประทานอีกด้วยดังนั้นกรรมจึงหมายรวมถึงเจตนาพร้อมด้วยอากัปกิริยาทางกายและวาจาที่เป็นรูปนามทั้งสองอย่างนั้นจะเห็นได้ว่าในขณะทํากรรม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 ฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นผู้จะไปเกิดในสุคติภูมิแน่นอน 2. ดังนั้นจึงชื่อว่าพระจุลสดาบันข้อความว่าไม่เสื่อมไปจากกังขาวิตรณะวิสุทธิหมายความว่าผู้ที่ปราศจากทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ามีตัวตนและวิจิกิจชาและอยู่ในระดับกังขาวิตรณะวิสุทธิ